w w w f i s f r m u t t a c t h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 ้และปัญหาน้ําท่วมในหมู่บ้านคุณมาดีเขาต้องการข้อมูลความเป็นจริงจากพวกเราทุกๆคนนะมันสําคัญยังไงอะก็เอาไปบริหารจัดการน้ําให้ดีมีคุณภาพต่อเนื่องและยัง่งยืนยังไงล่ะคุณมาดีเนี่ยเขาจะมาสํารวจเมื่อไหร่ละจ๊ะเดือนพฤษภาคมถึงก ร, รกฎาคมนี่แหละและฉันก็อยากให้ทุกคนร่วมใจในการให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ก, กับคุณมาดีด้วยนะได้เลยจ้ะชดจะตอบด้วความจริงทั้นดีมากว่าแต่คุณมาดีเนี่ยหล่อไหมอะจ๊ะผูยย้ใหญ่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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสุขกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ค่ะเราพบกันนะคะในช่วงเช้าวันศุกร์แบบนี้นะคะ ในช่วงเวลาใหม่นะคะของเดือนมิถุานายนค่ะ4นาฬกถึง4ก30นาทีทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลทัญบุรีนะคะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปกรณ์นางรับหน้าที่ในการดําเนินรายการวันนี้มาคนเดียวนะคะเนื่องมาจากว่าคุณเปียพงศ์เขนทวายนะคะขอลาป่วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะคุณเปียพงศ์ก็เดี๋ยวจะกลับมาทําหน้าที่เช่นเคยนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องพักร่างกายกันสักนิดหนึ่ง เพราะว่าป่วยเป็นไข้หวัดนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็กระแสของการเลือกตั้งเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลนะคะกำลังมาแรงแล้วก็เป็นที่พูดถึงทั้งในหมู่ของประชาชนเองนะคะเดินทางนั่งรถไปทางไหนเราก็มักจะได้ยินคนที่พูดคุยกันเป็นประเด็นของการเมืองแทบทั้งสิ้นนะคะซึ่งนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราได้มองมาเห็นว่า ความจริงแล้วเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งประชาชนในทุกช่วงวัยเองนะคะหรือแม้แต่วัยรุ่นซึ่งเรามักจะเห็นว่าวัยรุ่นนั้นมักไม่ค่อยสนใจการเมืองใช่ไหมคะแต่ว่าณตอนนี้เองเนี่ยประชาชนและวัยรุ่นมีการตื่นตัวในเรื่องของการเมืองกันมากขึ้นนะคะอย่าจะให้มองในมุมที่ว่า ทำให้ทุกคนเนี่ยอยากมีส่วนร่วมในการเลือกผู้นำของประเทศนะคะแต่ก็อย่างที่บอกกันก็คือตอนนี้ผลคะแนนได้ออกมาแล้วนะคะเราก็มีนายกรัฐมนตรีนั่นคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคา่ะแต่ว่าในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล น, นี้นะคะทำให้เกิด hashtag ขึ้นในโลกออนไลนอ์อย่างแรกเลยก็เป็น hashtag จัดตั้งรัฐบาล น, นะคะแต่ว่าอีก hashtag หนึ่งนะคะเป็นชาวเน็ตที่มีความเห็นต่างนะ ในเรื่องของการเลือกตั้งนั่นคือ h a ช h t a g ชื่อเรียกกันว่า Rip Thailand นะคะขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์โลกค่ะ หลังจากการประชุมร่วมรัฐสภานะคะเมื่อวันที่๕พฤษภาคมที่ผ่านมาและผลการลงคะแนนอย่างเป็นทางการซึ่งปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับเสียงสนับสนุน500คะแนนต่อ2๐4คะแนนซึ่งเอาชนะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจากพรรคอนาคตใหม่และทําให้ได้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่29เป็นสมัยที่2ค่ะในขณะนั้นนะคะก็ทําให้เกิดกระแสะในโลกออนไลน์นะคะโดยเฉพาะในทวิตเตอร์ซึ่งเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กัน ในเรื่องของการโหวตเป็นจำนวนมากเลยนะคะในที่สุดค่ะเมื่อทราบผลแล้วก็มีการเกิดแฮชแท็กที่เกิดขึ้นนั่นคือ Hashtag r i ป t ทยแลนด์นะคะเกิดขึ้นพร้อมกันและมีการแสดงความเห็นกันอย่างหลากหลายมากๆเลยนะคะ โดยแฮชแท็กนี้นะคะสามารถไต่ทยานขึ้นอันดับหนึ่งของเทรนด์โลกได้ในช่วงกลางดึกของวันที่ห้าพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังคง ม, มีการแสดงความเห็นอย่างต่อเนื่องมาถึงณวันนี้นะคะซึ่งใครสนใจในเรื่องของการแสดงความเห็นต่างๆในด้านของการเมืองแล้วในกลุ่มของประชาชนในกลุ่มหนึ่งที่มีการแสดงความเห็นกันนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะในแอปพลิเคชันนะคะในะช่องทางของ Twitter นั่นเองนะคะกับริบ Thailand ค่ะ ในด้านความเห็นหนึ่งนะคะของการจัดตั้งรัฐบาลเองเนี่ยในส่วนของภาคส่วนต่างๆหรือแม้แต่ในด้านของเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะก็ยังรออย่างมีความหวังเพื่อที่ว่าจะได้ทราบว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและการจัดตั้งรัฐบาลนั้นจะมีการเลือกผู้นำหรือว่าผู้แทนต่างๆที่จะเข้ามาทํางานบริหารประเทศเนี่ยเป็นใครบ้างนะคะในด้านหนึ่งค่ะหอการค้าไทยเองก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคนะคะในเดือนพฤษภา ค, คมค่ะ ต้องบอกว่าเป็นการลดต่ำสุดในรอบ19เดือนเลยค่ะ โดยเรื่องราวนี้นะคะผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยห อ, อการค้าไทยคุณธนวัฒน์พลวิชัยนะคะก็มีการพูดถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจําเดือนพฤษภาคม2562ค่ะซึ่งอยู่ที่ระดับ 77.7 ลดลงจาก 79.2 ในเดือนเมษายนของปีนี้นะคะซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่3แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังต่ำสุดในรอบ19เดือนด้วย จากความเป็นห่วงในเรื่องของความกังวลสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวอยู่ณปัจจุบันนี้ค่ะ ต้องรอติดตามกันนะคะว่าการจะตั้งรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในระดับนี้นั้นจะมีการเลือกใครมาบ้างและจะมีผลในเรื่องของการบริหารรวม um ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างไรนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเหตุการณ์แล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นข้อดีข่าวดีสําหรับคุณผู้ฟังบางท่านหรือว่าหลายๆท่านเองนะคะตอนนี้กระทรวงการคลังค่ะเตรียมที่จะมีการขยายเวลาบัตรสุขการแห่งรัฐนะคะเพิ่มเงินในกองทุนอีก 12,000 ล้านบาทค่ะ รายงานข่าวมีการระบุนะคะว่ากระทรวงการคลังเองค่ะเตรียมขยายเวลาจะทำโครงการบาทสวัสดิการแห่งรัฐหรือบาทผู้มีรายได้น้อยนะคะในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 14ล้าน5แสนคนเป็นกรณีพิเศษออกไปอีก3เดือนค่ะแต่เดิมนะคะโครงการนี้จะมีการสิ้นสุดนะคะในวันที่30กันยายนของปีนี้ซึ่งจะเป็นการต่ออายุ3เดือนนะคะก็จะหมดอายุสิ้นสุดนะคะในช่วงของ31ธันวาคมของปีนี้ก็คือวันสิ้นปีนั่นเองนะคะเพื่อช่วยในการลดค่าครองชีพและก็ทําให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตได้ตามเป้าหมายที่รอละ 3.5 ถึง 3.8 ให้ได้ค่ะโดยกระทรวงการคลังนะคะเตรียมมีการหารือกับสํานัก งบประมาณนะคะเพื่อขอให้จัดสรรเงินเข้ามาเติมในกองทุนประชารัฐนะคะเพราะหลังจากสิ้นเดือนกันยายนนี้เงินในกองทุนก็จะเหลือเพียงแค่ 1-2 พันล้านบาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนนะคะว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยไม่เพียงพอในการดูแลผู้มีรายได้น้อยนะคะ โดยกระทรวงการคลังค่ะจะมีการเสนอรายละเอียดเหตุผลและก็ความจำเป็นในการที่จะต้องการขยายโครงการยื่นให้พิจารณานะคะเบื้องต้นประเมินว่าต้องใช้เงินมากกว่าเดือนละ 4,000 ล้านบาทหรือใน3เดือนนะคะอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทนะคะส่วนแหล่งเงินที่จะนำ ม, มาเข้ากองทุนนั้นต้องรอจากทางสำนักกบประมาณนะคะในการพิจารณาว่าจะมีการจัดสรรเงินจากส่วนไหนอย่างไรคะ่ะก็ถือเป็นข่าวดีนะคะสาหรับ หลายๆท่านเองนะพูดถือวัสดการแห่งรัฐนะคะที่จะได้มีเรื่องของการาขยายระเวลาในการได้รับเงินนะะต่อไปอีก3เดือนนะคะสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือว่ามาตรการอื่นๆอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันนะคะ พูดถึงเรื่องราวกระแสที่เกิดขึ้นนะะในโซเชียลนอกจากเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วนะคะเมื่อวาคะก็มีเคสทั้งเรื่องของอาซาสกัดกัญชานะคะซึ่งมีคุณหมอจากหลายที่ที่ออกมาแสดงความเป็นห่วงนะคะในเรื่องของปัจจุบันนี้เองเนี่ยมีรถเร่นะคะ ไปขายนะตามหมู่บ้านนะกัหวังไปขายตามหมู่บ้านนะคะแล้วก็อ้างอิงนำเรื่องของใบหลักฐานต่างๆนะคะว่าสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้ก็กลายเป็นว่าประชาชนหลงเชื่อกันนะคะแล้วก็มีคนซื้อมาใช้กันใน 10cc เนี่ย 1,250 บาทซื้อมาใช้นะคะปรากฏว่าพอซื้อใช้ไปแล้วเนี่ยนะคะส่งผลต่อร่างกายพอแท้จริงแล้วเนี่ยอย่างที่คุณหมอก็แนะนำกันไปนะคะว่าสารสกัดจากกัญชาเนี่ย ไม่สามารถจะรักษาโรคให้หายขาดนะคะแต่เป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากการเกิดโรคซึ่ง ไม่กี่กลุ่มโรคเท่านั้นด้วยนะคะไม่ได้รักษาได้สารพัดโรคหรือว่ารักษาได้ถึง 30- 40โรคอย่างที่หลายๆคนเนี่ยมีการอ้างอิงกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีความต้องการจะใช้สารสกัดจากกัญชาเองนะคะก็แนะนําให้มีการไปขึ้นทะเบียนก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ยืนยันตัวตนของเราด้วยแล้วก็รับฟังในาการแนะนำนะคะคุณสมบัติหรือว่าแนะนําคุณเกณฑ์ต่างๆที่คุณจะสามารถใช้สารสกัดน้ํามันกัญชานี้ได้ค่ะ แต่ว่าในอีกมุมมองนึงนะคะว่าฟังขานแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะมีคําถามว่าเอ๊ะมันมีความเกี่ยวข้องกันจริงหรือนะคะหลังจากที่มีเคสกรณีที่มีแพทย์นะคุณหมอท่านหนึ่งนะคะมาเตือนเรื่องของเคสฟันผุค่ะซึ่งสามารถทําให้เกิดอาการติดเชื้อและส่งผลให้หนองขึ้นตาได้นะคะและระบุได้ว่าเคสนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในเด็กได้เท่านั้นสามารถเกิดขึ้นในผู้ใหญ่ได้เช่นเดียวกันค่ะ กรณีเฟ e b o o k อารักษ์วงวรชาติของนายแพทย์อารักษ์ซึ่งเขามีการแนะนำนะเป็นกรณีเคสของเด็กชายนะเป็นผู้ป่วยอายุเพียงแค่สาขวบเศษเท่านั้นมาด้วยการเป็นไข้ปวดตาซ้ายตาบวมแดงมากตาปิดม อ, มองเห็นหลางๆนะคะเพราะตรวจในช่องปากพบว่ามีฟันผุทั้งปากเลยค่ะซึ่ง เหตุการณนี้เกิดขึ้นนะคะกับคุณหมอเองที่มีการนํามาพูดคุยกันนะคะก็ทําให้ในกระแสะโซเชียลเองหลายๆคนตื่นตัวนะแล้วก็เห็นว่าโอ้โหมันเป็นเคสที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคะล่าสุดค่ะคุณหมออารักษ์เองได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะและเล่าเรื่องราวนี้ที่คุณหมอนํามายกเป็นเคสอุทาหอนที่เกิดขึ้นคุณหมอบอกว่าผู้ป่วยนะคะมาโรงพยาบาลด้วยอาการตาบวมมากและไม่สามารถลืมตาได้มองไม่เห็น มีไข้นะคะทีนี้เนี่ยแพทย์เห็นว่าอาการค่อนข้างจะรุนแรงค่ะก็เลยรับตัวเอาไว้ที่โรงพยาบาลพอไปตรวจในช่องปากเนี่ยนะคะปรากฏว่าเด็กมีฟันน้ำนมขึ้นพอสมควรแต่ว่าฟันน้ำนมของเด็กคนนี้สามขวบเท่านั้นนะคะผุหมดเลยค่ะเป็นฟันที่ไม่มีลักษณะขาวอยู่เลยฟันมีสีดำแล้วก็หลายซี่มีแต่ต่อต่อด้านบนค่ะ ในด้านซ้ายเนี่ยนะคะจะมีลักษณะก็คือมีมีตาบวมนะคะน้องมีอาการตาบวมแล้วก็มีเงือกอักเสบ ร, ร่วมด้วยนะคะและก็มีหนองออกมาด้วยทีนี้เนี่ยนะคะสิ่งสําคัญก็คือคุณหมอจะดูว่าลักษณะของการติดเชื้อเข้าไปเนี่ยนะคะเข้าไปในเบ้าตาหรือเปล่าแล้วก็ลุกลามไปในไซนัต ด, ด้วยหรือเปล่าก็เลยส่งเด็กเนี่ยไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปรากฏว่ามีหนองอยู่ในไซนัตที่อยู่ใต้ตาด้วยก็ให้ยาทางเส้นเลือดนะคะจากนั้นก็ส่งปรึกษาทันตแพทย์และถอนฟันที่ผูกออกทั้งหมดแล้วไปเอ็กซเรย์ คอมพิวเตอร์รอบๆค่ะผลที่ออกมานะคะก็คือดวงตาของน้องที่เป็นเคสนี้นะคะก็มีลักษณะเหมือนกับน้องหุ้มรอบอยู่ที่สําคัญที่สุดนะคะในตัวเบ้าตาเองยังดีอยู่ก็ต้องรีบให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็รีบเอาส่วนที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อออกไปโดยเฉพาะในฟันค่ะสอบถารรมอาการจากคุณแม่ของน้องนะคะปรากฏว่าคุณแม่บอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ใช้แรงงานนะคะทํางานตลอดน้องก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนเวลาไปทํางานก็จะพาน้องไปด้วยนะคะทีน นี้เนี่ยเวลามีอาการร้องกวนก็มักจะซื้อลูกอมยิ้มให้อมซึ่งนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุสาคัญที่ทําให้เกิดฟันผุจากการกินลูกอมกินของหวานนั่นเองและก็เป็นแหล่งที่ทําให้มีการติดเชื้อในช่องปากแล้วก็ในช่องฟันนะคะที่สําคัญค่ะสาเหตุที่ลูกตามไปถึงดวงตาเนี่ยเกิดจากการที่ฟันของคนเราเนี่นะคะอ่ารากฟันเนี่ยจะอยู่ลึกเข้าไปแล้วมันก็อักเสบค่ะคุณฟังคะจนสามารถที่จะแทงทะลุเข้าไปในดวงตาและบริเวณไซนัตใต้ตาได้บางคนนะคะถ้ามีอาการอักเสบมากมา หากว่าเราอยู่ในช่วงของการไปทำงานนะคะ ทำงานหนักเลยค่ะร่างกายเพลียภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะคะก็จะทําให้มีอาการลุกลามไปถึงสมองได้ด้วยซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกันคุณหมออารักษ์ยังบอกอีกนะคะว่าการป้องกันที่สําคัญค่ะหลังจากที่เด็ก6กขวบหรือว่า8ขวบเริ่มมีฟันน้ํานมฟันซี่แรกขึ้นมาและจะค่อยๆเติมเต็มมานะคะกระทั่งเต็มช่องปากก่อนที่ฟันแท้จะขึ้นฉะนั้นนะคะช่วงที่มีฟันน้ํานมเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะต้องพาลูกไปพบหมอฟันไปพบทันตแพทย์บ้างนะคะเพื่อให้ได้มีการเคลือบฟัวร์ลาย ป้องกันให้ฟันแข็งแรงค่ะที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือการรับประทานนมแม่นมจืดอย่ากินนมข้นหวานนะคะอย่ากินนมรสหวานและอย่ากินของหวานนะคะแล้วก็อย่าดูดขวดนมก่อนนอนด้วยอย่าดูดขวดนมอ่านนมจากขวดแล้วก็หลับไปนะคะเพราะว่าการดูดนมแบบนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่ทำให้ฟันผุได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลช่องปากให้ดีตั้งแต่ยังมีฟันน้ํานมค่ะนอกจากนี้นะคะการทานขนมก ร, กรอบเองเนี่ยก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดฟันผุในเด็กนะคะการรักษา ช่องปากดีๆรรคพวกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นไม่เฉพาะในเด็กในผู้ใหญ่ก็สามารถทําแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งมักจะมีอาการฟันแท้ผุนะคะมักทําให้เกิดอาการบวมแล้วก็ติดเชื้อได้เหมือนกับเด็กเลยค่ะฉะนั้นก็ต้องดูแลทําความสะอาดช่องปากให้ดีค่ะและนี้คือเรื่องราวในช่วงแรกของกรอบข่าวเช้าวันศุกร์นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้านะคะทีฉันมี เรื่องของการรับน้องนะคะเปิดเทอมมาแล้วล่ะแล้วก็มีบางที่เนี่ยเขามีการรับน้องแต่เป็นการรับน้องที่ถือได้ว่าสั้นที่สุดในประเทศไทยไม่รู้จะสั้นที่สุดในโลกด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันราไปถึงสิทธิประโยชน์ใหม่ของประกันสังคมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภนะคะและการเชื่อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับผู้มีรายได้น้อยจากกสทชด้วยติดตามรับฟังในช่วงหน้ากับกรอบข่าวเช้า ว, วันศุกร์ค่ะ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 เข้ามาสู่กรอบข่าวเช้าวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ค่ะดิฉันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเป็นข่าวคราวที่ก็ถือว่าเป็นการรับน้องแบบแปลกใหม่นะคะของน้องๆ อ, อาชีวศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นการรับน้องในเวลาที่สั้นที่สุดเพียงแค่15วินาทีค่ะ วิทยาลัายเทคโนโลยีปริเทคนิคลานนาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งมีการจัดพิธีนะคะของการให้โอวาสกับนักศึกษาใหม่ทั้งปวชและก็ปวส .1,81,850 คนนะคะที่เข้ามาเรียนในวิทยาลัายเป็นปีการศึกษาแรกนะคะซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนั้นก็คือการต้อนรับน้องใหม่ของที่นี่ค่ะโดยมีนักศึกษารุ่นพี่นะคะ 2,250 คนประมือต้อนรับ ขนาดที่นักศึกษารุ่นน้องทั้งหมดนะคะก็ต้องยืนเข้าแถวก็จะมีการยืนเข้าแถวนะคะแล้วก็ยกวู ไหว้กล่าวสวัสดีรุ่นพี่ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเรียกว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า30ปีแล้วค่ะรูปแบบการรับน้องใหม่จะแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นนะคะโดยนักศึกษาทางรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องกว่า 4,100 คนจะรวมตัวกันที่สนามฟุตบอลแล้วก็เข้าแถวตามชั้นเรียนเพื่อรับฟังโอวาจากคณาจารย์จากนั้นนะคะกิจกรรมนี้กันที่บอกกันค่ะก็คือรุ่นพี่จะปรบมือเพื่อต้อนรับรุ่นน้องเข้ามาเรียนเนี่ยนะคะส่วนรุ่นน้องก็จะยกมือไหว้พร้อมกล่าวคํา ขอบคุณแล้วก็สวัสดีด้วยกิจกรรมทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียงแค่15วินาทีเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะจากปีที่แล้วเนี่ยนะคะเขาใช้เวลา30วินาทีนะ ปีนี้ลดกันครึ่งๆเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่ากิจกรรมรับน้องใหม่ของที่นี่นะคะก็เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องค่ะส่วนทางด้านของอาจารย์เองนะคะก็ได้ปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนน่ยมีความรักแล้วก็ความสามัคคีร่วมกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมที่ป้องกันไม่ให้นักศึกษารุ่นพี่นํารุ่นน้องนักศึกษาใหม่ไปรับน้องนอกสถาบันซึ่งถือว่าผิดระเบียบของวิทยาลัยและอาจจะเกิดความสูญเสียได้ไหนที่สุดค่ะ และท่านบอกว่าอาจจะเคยเห็นว่ารับน้องเนี่ยอาจจะกินเวลาอย่างมากก็เป็นเดือนนะะหรือว่าปีการศึกษานะคะมีกิจกรรมร่วมกั น, นะะทำแอคทิวิตี้ร่วมกันหรือในบางที่ก็สักหนึ่งอาทิตย์นะคะแต่ว่าอันนี้ไวมากเลยนะคะวินาทีเท่านั้นเองค่ะ มากันที่เรื่องราวของการเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนที่มีการตั้งครนของประกันสังคมนะคะตอนนี้มีการออกมากล่าวถึงการออกค่าตรวจแล้วก็ค่าฝากคันเพิ่มให้อีก1000บาทค่ะโดยคุณอนันชัยอุไทยพัฒนาชีพเลขขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะก็เปิดเผยถึงสิทธิประโยชน์ของการสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนกับคู่สมรสที่ตั้งคันให้ได้รับการตรวจแล้วก็ดูแลการตั้งคันอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ะะซึ่งสำนัก ง, งานประกันสังคมเองมีการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรให้กับผู้ประกันตนอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตร1ครั้งนะคะพร้อมกับมีการให้สิทธิประโยชน์กรณีสง Cross ut, เคราะหบุตรเหมาจ่ายเดือนละ600บาทต่อบุตรหนึคนค่ะซึ่งมีอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์คราวละไม่เกิน3คนทั้งนี้นะคะสำนัก ง, งานประกันสังคมเองยังมีการสนับสนุนค่าตรวจและก็การรับฝากคันเพิ่มอีก1000บาทนะคะเป็นการจูงใจให้ผู้ประกันตนหรือว่าคู่สมรส มีการฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพให้กับผู้ที่เข้ารับบริการฝากคันในสถานพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดนะคะโดยการแบ่งจ่ายค่ะก็จะเป็นครั้งครั้งครั้งแรกนะคะก็คืออายุคันไม่เกิน12สัปดาห์ค่ะใจ่ายในตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน500บาท ครั้งที่2อนะคะอายุคันมากกว่า12สัปดาห์ค่ะแต่ไม่เกิน20สัปดาห์นะคะจ่ายในตราที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทครั้งที่3ค่ะอายุคันมากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์นะคะจ่ายในตราที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทค่ะสําหรับแนวทางในการขอรับประโยชน์ทดแทนจะต้องมีหลักฐานในการเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลที่ใช้บริการฝากคันแต่ละครั้งนะคะก็คือมีใบเสร็จรับเงินกับใบรับรองแพทย์เพื่อยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในส่วนค่าตรวจและการรับ ฝากขันเพิ่มเติมโดยไม่ต้องรอให้มีการคลอดบุตรนะคะซึ่งสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่12แห่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาที่ท่านสะดวกหรือที่โทรนะคะสายด่วน1506ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์นะคะ www.sso.go.th ค่ะ ส่วนในเรื่องราวนึงนะคะต้องถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์นะคะของผู้มีรายได้น้อยนะคะโดยสำนักงานกนสทชค่ะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีสู่ครัวเรือนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสิทิการแห่งรัฐค่ะ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชนะคะได้ดําเนินการมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบเพื่อครัวเรือนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายขอบค่ะทั้งนี้นะคะก็ สชอชเองได้ดําเนินโครงการรับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอัตราความเร็ว30ต่อ10เมกะบิตเปอเซกันนะคะเป็นระยะเวลาสาปีค่ะตั้งแต่1กรกฎาคมของปีนี้ถึง30มสิบิถุนายนปีสองพร้อยหกสิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะโดยกสชอชจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวค่ะเพะื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ผ่านการค้าขายตลาดออนไลน์นะคะรวมถึงการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนําไปสู่การเพิ่มรายได้ในภาพรวมของพื้นที่ชายขอบแล้วก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ําสร้างการพัฒนาอย่างเท่าเทียมแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะส่วนขั้นตอนในการดําเนินการนะคะตอนนี้ก็สตชเองมีการขอรับข้อมูลครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยจากกระทรวงการคลังมาแล้วนะคะแล้วก็มีการตรวจพบว่า ผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิ์ในการรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะตอนนี้อยู่ที่3 9 4 9 0 4ัครัวเรือนค่ะซึ่งกสะะ ช, ชเองได้มีการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์รับทราบ พ, พร้อมกับแนบแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ ขอรับสิทธิ์ใช้เน็ตบ้านฟรี3ปีนะคะส่งไปทางไปรษณีย์แล้วค่ะผู้มีสิทธิ์นะคะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มนะคะเพื่อขอรับสิทธิ์แล้วก็นำส่งไปรษณีย์กลับมาที่กสทชนะคะส่งได้เลยไม่ต้องติดแสแต็มนะคะโดยประชาชนที่สงสัยนะคะมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยทาง c a center สายด่วนของกสทชนะคะ120ค่ะ ในช่วงท้ายของกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ในวันนี้นะคะเป็นการอาขอความร่วมมือประชาชนนะคะในการตามหาตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติ3คนกรณีที่ไปพ่นสีสเปรย์ตามประตูบ้านกำแพงและรถยนต์สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านย่านสำเพลงค่ะแฟนเพจเฟซบุ๊กทัวริสโพลิสบูรุ่นะคะกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะ ได้มีการรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติ3คนค่ะซึ่งอาศัยช่วงเวลายามดึกสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนย่านสัมเพลงด้วยการพ่นสีสเปรย์ตามประตูบ้านกำแพงแล้วก็รถยนต์โดยในภาพกล้องวงจรปิดนะคะพบว่าทั้ง3คนได้มีการถ่ายคลิปการกระทําดังกล่าวของตนเองเอาไว้ด้วยขณะนี้นะคะทางสอนอในพื้นที่แล้วก็ตํารวจท่องเที่ยวค่ะได้รับข้อมูลจากผู้เสียหายแล้วนะคะและกําลังเร่งติดตามกลุ่มบุคคลดังกล่าวค่ะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนท่านใดนะคะ แล้วก็พบประกอบการโรงแรมใดที่มีการพบกลุ่มนักท่องเที่ยวและกนณาคล้ายบุคคลในคลิปภาพนะคะของเฟซบ o o กแฟนเพจนะคะก็บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวให้รีบโทรแจ้งที่สายด่วนตำรวจท่องเที่ยวเลยนะคะ1น5าค่ะตลอด24ชั่วโมงเพื่อตามตัวคนร้ายนะคะมาดำเนินคดีในกรณีของการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวสัมเพลงค่ะ สุดท้ายนะคะในข่าวคราววันนี้กรอบข่าวเช้าวันศุกร์ฝากเอาไว้นะคะสําหรับใครที่มีรถยนต์ขับกันนะคะแล้วก็กําลังจะเติมน้ํามันนะคะกู้ฟังค่าววันนี้ค่ะปะตทและบางจากนะคะประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ํามันทุกชนิดลง40ตางต่อลิตรนะคะยกเว้น E85 ซึ่งลดลงแค่20ตางต่อลิตรนะคะมีผลวันนี้ในเวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะสําหรับราคาของน้ํามันขายปลีกที่ลดลงนั้นก็จะมีเบนซินนะคะราคาจะอยู่ที่ สามสบส่าทสตางต่อลิตรแก๊สโฮอล์เก้่สบบาทสตางต่อลิตร E20 ี่สิบสบ่าทสตางต่อลิตรแก๊สโฮอลาหนงนะคะ27 8สบาทสตางค์ค่ะแล้วก็ E 85านะคะ19บเาทส่ตางค์ดีเซล26่สบาทสตางค์ดีเซลพรีเมียมนะคะ29่บาทสสตางค์ HSDB10 นะคะอยู่ที่25บาท9สตางค์และ HSDB20 นะคะอยู่ที่21บาท9สตางค์ค่ะซึ่งราคาขายปลีกดังกล่าวนี้นะคะไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิน่นวันนี้นะคะในเวลา5นาฬิกาใครสนใจจะไปเติมน้ำมันนะคะก็สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้ค่ะ นี่คืเรื่องราวในวันนี้ทั้งหมดที่มาคุยกันนะคะกับกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากรอบข่าวเช้าวันศุกร์ได้นะคะในช่วงเวลาเช้าเชนะคะ4ี่นากาทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะทาง fm 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะและก็ที่ทางแฟนเพจ Facebook วิทยุราชมงคลธัญบุรีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะดิฉันอาทิตยาปกรณ์นางและทีมงานต้องขอลากันไปก่อนค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรายการของเราด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีค่ะ FM 89.5 MHz มสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชุณชนธัญบุรีเอฟเอ็5เมกเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต